วันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2538เป็นการบรรยายพระ ส, สูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมบทบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัต t าท่านสาธุชนที่เคารพพระสูตรในครั้งนี้จะเป็นสูตรลำดับ ที่สองของวรรคที่สามมีชื่อว่าทุติยพุพลลสูตรแปลว่าเรื่องกําลังยานสิบอย่างว่าด้วยพุทธลยานและจตุเวสารชยานอันนี้เป็นชื่อของสูตรแต่เนื้อหาของสูตรนั้นไม่ได้อธมุ่งอธิบายตัวยานแต่มุ่งอธิบายอารมณ์ของอยานหรือสิ่งที่ยานของพระพุทธเจ้าอย่างรู้ว่าได้ทรงตรัสรู้ทำอะไรบ้างเนื้อความของพระสูตรมีโดยลําดับว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินธิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิสูน์ทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทศพลยานและจะตุเวสารเชยาญจึงปฏิญาณฐานะของผู้องอาจบรรลือเสียงนาฏในบริษัททั้งหลายยังปรมาจให้เป็นไปว่าดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปจนถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ได้ตรัสว่าดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญา ณ, า อ, าญญาณอั่งนี้ก็เป็นประเด็นแรกของสูตรนี้เราได้อธิบายมาในสูตรก่อนแล้วสำหรับในส่วนเบื้องต้นของสูตรนะครับคือพระผู้มีพรภาคได้ทรงประกาศ แก้พิสูจนทั้งหลายว่าทรงประกอบด้วยพระยานที่ถือว่าเป็นกำลังทางปัญญาและเป็นกำลังทางพระบุคลิกที่แกวกราในการแสดงธรรมต่อบริษัททั้งหลายและข้อยืนยันอย่างหนึ่งที่ทรงประกาศในสูตรนี้ว่าอะไรที่เป็นเหตุทาให้พระผู้มีภรคทรงประกาศว่าทรงมีญาณคือทรงสอนอะไรด้วยอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรู้ขันห้า ตรงนี้นะเราอาจจะสงสัยเมื่อได้ฟังมากอ่านมากว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยการเจริญวิปัสนาด้วยอารมณ์อะไรถ้าท่านที่ได้ติดตามฟังพระสูตรในที่นี้หรือได้ฟังเมื่อวานนี้ก็ได้เรียนไปว่าหรือมีหลักฐานบอกว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงบรรลุ เป็นพระอาหารหันต์วยการเจริญวิปัสนาโดยกำหนดปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมฮะและทำไมในหลายๆสูตรจึงได้ทรงตรัสว่าทรงรู้เรื่องอายตนะบางทรงรู้เรื่องขันบางก็เหมือนกับว่าทรงปฏิบัติด้วยบัพทั้งหมดข้อนี้นะผมขอเรียนให้ทราบว่าบัพที่ทรงใช้เป็นมุกปฏิบัติณอันหนึ่งแต่เมื่อได้ความตรัสรู้แล้ว ย่อมได้ความตัดสู้นามรูปแม้ทั้งหมดทุกๆบัตซึ่งที่ได้เรียกว่าโดยมุกที่ตั้งเป็นอารมณ์กำหนดคือปฏิจจสมุปบาทแต่นามรูปที่เหลือโดยกรณีอื่นทรงรู้โดยในและสิ่งใดที่รู้โดยในพระผู้มียภาคทรงสามารถที่จะยกขึ้นเป็นอารมณ์ได้หลังจากนั้น ถ้าไม่สามารถทรงยกขึ้นเป็นอารมณ์ได้ก็คงจะไม่ทรงบัญญัตินามรูปที่ได้ทรงตรัสรู้โดยมุกของปฏิจจ์ออกมาเป็นรูปแบบของขันออกมาเป็นรูปแบบของอายตนะเป็นต้นหนังที่ปรากฏนี้เพราะว่าโดยสาระแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันในความเป็นนามรูปนะเพราะฉะนั้นอที่ใดถ้าทรงบอกว่าทรงรู้เรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาต ในที่เหล่านั้นไม่ได้แปลว่าเป็นมุกในการกำหนดของพระองค์นะฮะเป็นเป็นแต่เพียงความรู้ที่รู้ทั่วทั้งหมดและเมื่อปลารบโดยนัยยะใดๆก็ทรงรู้โดยไม่ขัดข้องหลังจากที่ได้เครื่องมือหรือได้สมรรถภาพทางญาณปัญญาด้วยมุกนั้นแล้วเช่นเดียวกันกันกบการได้ฌานใน พอโถมยากของวันนั้นทรงได้ฌานด้วยอํานาจของอาณาปานาสติใช่ไหมทรงกําหนดอาณาปานาสติอันนี้ก็ได้บอกไว้เป็นที่แน่ชัดในพระสูตรแต่ถามว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงไม่รู้ไม่เข้าใจทําไม่ได้ด้วยวิธีอื่นด้วยอารมณ์อื่นหรือตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นทรงรู้และทรงทําด้วยอารมณ์อื่นหลังจากนั้นอีกบ่อยๆ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนจะปรินิพานช่วงเวลาไม่นานนักเนี่ยนะเราก็รู้มาแล้วว่าทรงเข้ายานเป็นอันมากเปลี่ยนยานเปลี่ยนอารมณ์สลับยานสลับอารมณ์เข้าสมาบัติต่างทั้งโดยตัวฌานสมาบัติแล้วก็ต่างกันโดยอารมณ์อย่างเชี่ยวชาญเป็นการเรียกว่าโอบกอดคนที่รักก่อนที่จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะ และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วเราก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้ที่อธิบายไว้เป็นที่ชัดเจนว่าได้ทรงประทับนั่งที่โคนโพธิบัลลังเข้าสมาบัติเป็นอันมากเพราะนั้นจึงเป็นเหตุที่อาตถ า, าได้อธิบายว่าที่พระผู้มีภาคทรงตรัสในปริณิพานสูตรว่าบินทบาทสองมือมีอนิสงส์เสมอกันได้เหตุหลายอย่าง อ่าอย่างเช่นอย่างหนึ่งบินธาบาตของนางวิสาของนางสุชาดาเนี่ยทรงฉันแล้วได้สัุ ป, ปาทิเสสนิพานบินธาบาตของนายจุนทะฉันแล้วทรงได้อนุปปาทิเสสนิพานและอ่าข้อที่นี่คือข้อเหมือนกันประการที่หนึ่งได้นิพานคนละแบบข้อเหมือนกันข้อที่สองก็คือเมื่อทรงสเสวยบินธาบาตของทั้งสองบุคคลแล้ว ทรงเข้าสมาบัตรเป็นอันมากหมายความว่าก่อนบ่ผ่านเข้าสมาบัตแล้วก็เมื่อหลังตัดสรูแล้วก็เข้าสมาบัตเป็นอันมากทีนี้ถ้าถามว่าใครมากกว่ากันเนี่ยเราคงตอบได้ทันทีนะตราได้ทันทีเพราะว่าสี่สิบเก้าวันใช่ไหที่เข้าสมาบัตหลังจากที่ได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แต่หลังจากฉันบินาบาทของนายจุนทะเนี่ยทรงเข้าแค่ไม่นานเพราะว่าวันนั้นเองอ่ะพูดง่ายว่าฉันเช้าปรินิพานตอนใกล้ลุงก็เข้าสมาบัตโดยเวลาไม่มากแต่ว่าโดยจํานวนโดยความครบถ้วนขององค์สมาบัตองค์อารมณ์เนี่ยเข้าได้ครบเหมือนกันจึงไม่ต่างกันโดยองค์ของสภาวะธรรม ก็เลยได้บุญมากนี่ก็เป็นข้ออธิบายอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งสองบุคคลเมื่อได้ทําบุญในโอกาสพิเศษนี้เกิดอัปปะเจตนาแ ร, นนแรงด้วยกันทั้งคู่นะแรงด้วยกันทั้งคู่ไอ้ตรงนี้นะ่ะตัดสินไม่ได้หรือผมยังไม่รู้ความจริงคงมีก็ตัดสินอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่รู้ตอนนี้ถ้าใครอายุยืนกว่าก็ต้องมากกว่าเข้าใจไหมอัปปะเจตนาเนี่ยเรืรู้ว่านางสุชาดา ทำบุญตั้งแต่พระบุตธเจ้าอายุสามสิบเท่าไรละ่ะออกบวชสามออกบวชยี่บเก้าใช่ไหมช่หหรือสามหกได5มาเท่าไหร่ยี่บเก้าบรรลุสามสิบห้าใช้เวลาหกปีนะก็นั่นแหละคือเริ่มต้นของอภระเจตนาหลังจากทาในปีนั้น มาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนิพพานท่านนางยังไม่ตายนางก็ยังอัประเจตนาต่อทีนี้นายจุนทะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้ใครแต ถ, ถ้าตายพร้อมกันหรือห่างกันไม่ไม่ถึงสี่สิบห้าปีนะก็สู้นางสิจาดาไม่ได้ปริมาณของอัปราเจตนามากกว่ากันอ่แต่ว่าถึงจะมามีข้อเงื่อนงามแตกต่างกันตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ถือว่ามากด้วยกันประมาณไม่ได้เดียกันทั้งคู่ ส่งยกย่องอย่างนั้นอันนี่ก็เลยเล่าเท่าความนิดหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดขยายความอีกสักหน่อยคือคาว่ายังพรหมจักที่เรียกว่าพรหมจักก็คือธรรมจักในธรรมจักกับปตนสูตรเนี่ยเรียกว่าธรรมจักกับปตนาสูตรแต่ในที่นี้เรียกว่าพรหมจักเป็นอันเดียวกันและโดยสาระเนี่ยก็หมายถึงถึง เทศนาแต่เวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายเป็นสามส่วนไงนอ่าโดยแบ่งเป็นอ่าที่มาของพรมมจักเนี่ยเกิดขึ้นด้วยปฏิเวตยานคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเทศนาด้วยเทศนายานก็คือบทและพยัญชนะของสูตรนี้ของธรรม ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าทรมาจากรหรือพรมมาจากมีที่มาคือยานที่เรียกว่าปฏิเวทยานของพุทิเจ้าแล้วก็ทรงสั่ง ส, งสอนแก่บุคคลอื่นให้ได้ถึงธรรมอย่างนั้นด้วยเทศนายานก็เป็นยานเพื่อแสดงให้คนอื่นรู้อ่านี่ก็ก็อธิบายเติมตรงนี้นิดหนึ่งเนื้อความในประเด็นที่สองถัดไป ซึ่งไม่จําเป็นต้องอธิบายอีกนะครับสําหรับในที่นี้ที่ขึ้นหัวข้อว่า <c oughs> เหตุเกิดผลเก <c oughs> ิดเหตุหตหต ด, ดับผลดับได้ทรงตรัสว่าด้วยเหตุนี้เมื่อปัจจัยนี้มีอยู่ผลนี้ย่อมมีเพราะการบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยนี้ผลนี้จึงบังเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยนี้ไม่มีอยู่ผลนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับแห่งปัจจัยนี้ผลนี้จึงดับข้อนี้คือเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เป็นต้นไปโดยลําดับจนถึงความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล้วก็จัดอโดยในของการสําลอกการดับว่าก็เพราะวิชานั้นและดับโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการเช่นนี้ข้อความของสูตรที่แล้วเนี่ยซ้ํากันกับข้อความเบื้องต้นของสูตรนี้ ผมไม่อธิบายอีกนะครับกอผ่านเลยไปพูดถึงส่วนต่างพอไปพลิกดูอีกหน้าหนึ่งก็เป็นความแตกต่างที่ซ้ําเมื่อชั่วโมงแรกซีอย่างนั้นก็เลยจบไปแล้วกันไม่ต้องพูดโดนเหมือนไปแล้วเช้าที่ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็วันนี้มาเช้าครึ่งหนึ่งเลยจบเลยแต่บังเอิญไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็มีแง่มุมที่ควรจะต้องพูด อย่างที่สูตรนี้ควรจะแสดงในประเด็นถัดไปเนี่ยได้ทรงตรัสกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัตินะฮะเราคงจะจำได้ว่ารู้เหมือนจะในสูตรก่อนนะครับที่รือๆไม่ใช่สูตรก่อนของสูตรขะที่พูดเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยน ะ, ะที่ทรงตรัสว่าทรงเปิดเผยทรงทำให้ตื่นแล้วก็มีคำตรัดทิ้งท้ายว่า จงดูฮะจำได้ไหมฮะเป็นการตรัสในภาคปฏิบัติคือพูดในเชิงปริยัติเสร็จแล้วก็กระตุ้นในเกิดการปฏิบัติสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ทรงตรัสถึงทุกข์กับความดับทุกข์ซึ่งในนั้นได้บอกอยู่โดยปริยายของความลึกซึ่งว่าอะไรเป็นทุกข์ทุกเกิดจากอะไรและจะดับทุกข์ได้อย่างไรซึ่งชั้นเราอ่านแล้วก็ ปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยนะแต่ความหมายของสูตรนี้ที่ทรงแสดงแก่ผูกษาทั้งหลายในที่นั้นเข้าใจกันและปฏิบัติกันได้ทันทีเมื่อได้ทรงแสดงวิปัสนาภูมิแล้วก็ได้ทรงตรัสกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติด้วยข้อความถัดจากนี้ต่อไปนี่คือเป็นความเพียรแะครับที่เรียกว่าเพียรแต่เพียรตรงนี้ไม่ใช่เพียรเรื่องอื่นเป็นความเพียรเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อผลได้อย่างที่ได้พูดมาในส่วนเบื้องต้นของสูตรที่กล่าวแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนวิสูทั้งหลายทำอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ทำให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วเป็นธรรมตัดสมณะขี้ริ้วแล้วกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาสมควรแท้เพื่อความเพื่อปราลกความเปลี่ยนในธรรมอัน เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้คือทำให้ตื่นเปิดเผยประการเป็นธรรมตัดสมณะคีริวแล้วด้วยความตั้งใจว่าอันนี้เป็นการบอกถึงวิธีตั้งความเปลี่ยนเราเราพักไว้แค่ตรงนี้และอธิบายก่อนคือได้ทรงตรัสว่าสิ่งที่บอกมาตั้งแต่ต้นสูตรเนี่ยเป็นวิปัสนาภูมิ ที่ได้บอกโดยภาคปริยัติอย่างชัดเจนแล้วก็แล้วก็ทาที่ทรงบอกอย่างดีอย่างนั้นเนี่ยมีข้อความพิเศษที่ต้องพูดว่าเป็นธรรมตัดสมณะขี้ลิ้วแล้วเนี่ยคืออะไรนะอันนี้ท่านก็พูดอย่างในบรรยากาศที่พระพูดกับพระแต่ว่าในทรีนี้ก็รวมไปถึงพระในทางมุมปฏิบัติ ด, ด้วยตรงนี้นะ คำว่าขี้ริ้วเนี่ยนะครับแล้แปลมาจากคําว่าปาโลติกาปาโลติกาแปลว่าขี้ริ้วคือผ้าขี้ริ้วอย่างที่เราเรียกว่าผ้าขี้ริ้วคือผ้าขาดขาดกระรุ่งกระริ่งก็เป็นการเปรียบเทียบ ว, ว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีภาคทรงแสดงไว้อย่างนี้คนการแสดงธรรมะที่ดีและบริสุทธิ์เนี่ย มันมีอนุภาพอันหนึ่งอยู่ในตัวเองในทางสาระนะคนที่จะมาสมาทานรับปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นคนดีหรือเลวต้องเป็นคนดีเท่านั้นแล้วคนเลวไม่ชอบถึงชอบก็อยู่ไม่ได้อยู่กฐธรรมะในทางสาระเนี่ยไม่ได้แต่ที่มีคนไม่ดีเข้ามาแอบแฝงอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เข้ามาแฝงอยู่กับสาระถูกไหม เขาแฝงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สาระเพราะนั้นคนที่เป็นเราเทียบเหมือนกับคนที่สอนอะไรดีๆเนี่ยคนลองไม่ดีแล้วอยู่ไม่ได้ครับหรื อ, อก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ดีเยอะกว่าดีหรือไม่ดีเลยแต่ว่าถ้ายังไม่สามารถปรับตัวเองให้ดีแล้วคบคนดีไม่ได้กลัวคนดีอยู่กับคนดีไม่ได้นั่นที่ คนที่ไม่ดีเนี่ยคนไม่ดีมันก็จะมาลุมเกาะถูกไหมเรามามองดูว่ า, าหลักอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงว่าโอกาสที่บุคคลทำความดีแล้วจะได้ผลของความดีหรื อ, อโอกาสที่คนทำความชั่วแล้วกลับมาได้ผลชั่วน้อยเหมือนจะได้ดีเป็นการขัดหลักคําสอนเนี่ยมันอยู่ที่กาละเรียกกาละวิบัติกาละสมบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการละอย่างเช่นนึกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นการละสมบัติของคนขายสินค้าสองอย่างนะในช่วงนี้จะขายดีคือหนึ่งนมพัชเจอร์ไรสองไก่ดำขายขายสองอย่างตอนนี้ดีรีบๆขายนะเป็นการละสมบัติทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าผู้นําของประเทศหรือหัวหน้าหรือเจ้าอาวาสอย่างงี้ยนะเป็นคน สมมติว่าหูเบาเห็นแก่ได้นะฮะเห็นแก่อะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องเหตุผลทางกิเลสอธิบายในสารพัดอย่างเนี่ยคนไม่ดีก็จะเข้ามาก่อถูกไหมฮแต่ว่าถ้าเมื่อใดผู้นำหรือหัวหน้าหรือเจ้าสำนักเจ้าอาวาสนะทั้งในวงการโลกวงการธรรมเป็นคนดีเนี่ยคนไม่ดีจะไม่กลา้าแล้วก็บางทีคนไม่ดีก็จะลอยต้อง กลายเป็นคนดีไปด้วยนี่นี่มันเป็นโอกาสเพราะนั้นผู้นำที่ดีเนี่ยถึงถือว่าเป็นผู้มีเป็นสัตบุรุษที่เกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อประชุมชนจริงๆเราเราดูไอ้เรื่องหนังป้าปนจินนะฮะผมมันก็เกิดเลยดูอยู่เรื่องนี้ว่าจะเลิกไปแล้วก็ยังเลิกไม่ลง แล้วก็นึกในแง่ทำมาว่าเออถ้าสมมุติว่าในในศาลไค่ฟงเนี่ยทําไมคนในนั้นเป็นคนดีไปกันหมดนะแล้วก็อยากทําดีถ้าหากว่าไปศาลอื่นที่หัวหน้าศาลเป็นคนไม่ดีอคนดีก็อยู่ไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมดานหนึ่งนะแต่ว่าที่คนดีกล้ายอยู่เนี่ยซึ่งก็หมายความว่าคนดีนั้นจะต้อง อยู่เพื่อเสียสละแล้วก็มีพลังความดีที่สูงกว่าแต่ตำแหน่งหรือฐานะอาจจะต่มกว่าแต่อยู่เพื่อปฏิวัติความชั่วก็เรียกว่าเป็นการอยู่เพื่ออนุเคราะห์อย่างนั้นแล้วก็ได้แต่ถ้าลำพังคนดีที่ไม่แข็งแรงนักเขาก็ไม่อยากอยู่อยู่ไม่ได้หาความจเจริญไม่ได้ก็เลยเท่ากับว่าไปยั่วยุให้คนชั่วมีกาลังแล้วก็ทาคนที่ครึ่งดีครึ่งชั่วกลายเป็นชั่วไปเพราะฉะนั้นเพราะ คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสาระเนี่ยนะฮะอันนี้เราต้องย้ําว่าโดยสาระคนจะชอบความดีได้ต้องเป็นคนดีชอบความจริงได้ต้องเป็นคนมีสัจจะมีความจริงอยู่ในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นหลักคําสอนเหล่านี้คนไม่ดีจะอยู่ไม่ได้ท่านจึงมีคําพูดว่า คนดีอยู่ไม่ได้จริงๆพาลนาข้อความตัวนี้ค่อนข้างยาวนะฮะในในอัตกถาทีนี้เมื่อพูดถึงตัวนี้เราก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะแล้วจริงหรืออย่างว่าคนที่ชอบวิปัสนาเนี่ยเพราะนี่ท่านพูดเรื่องวิปัสนาแล้วทําไมมถึงมีคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีล่ะไม่ทราบผมพูดพูดมาถึงตัวนี้สงสัยเป่าผมนี่ผมช่วยสงสัยแต่ไน่นะจริงอย่างที่ผมว่าไหมถ้าคนอยู่ในวงการ นะแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกท้อต้อยลาวหลานเราต้องกล้าเรียนรู้แล้วก็จะต้องกล้าดํารงใจของเราไว้กับสถานการณ์ของความดีความชั่วทุกอย่างเอทีนี้ปัญหาว่าทําไมถึงมีละ่ะแล้วก็มีจริงๆแล้วทําไมเขาอยู่ได้ละ่ะไม่ขัดกับที่พระเจ้าพูดหรือแล้วตอบว่าไอ้ที่เราว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีทัทุกอย่างเลยจะหรือ เขาไม่ได้ชอบธรรมะเลยปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้กระดิกหูเลยสักนิดหนึ่งก็ไม่กระดิกหรือหรือกระดิกบ้างก็ก็ต้องกระดิกอย่างน้อยก็กระดิกอย่างที่เขาทําให้เขาอยู่ได้ซึ่งเราเอาเหตุผลถ้ามัจะพึงมีเหตุผลด้านเสียออกเอาออกไปเสียในน้ําใจที่เขามีอยู่ก็สิ่งเหล่าเนี้ยเขามีอยู่ได้แต่เพราะว่าคือพูดในในหลักสูตรนี้ว่าในในส่วนของสูตรนี้ว่า คนดีที่ไม่ถึงระดับธรรมนะใดก็อยู่ไม่ได้ในระดับธรรมนั้นรับไม่ได้ในระดับธรรมนั้นถ้ามันครึ่งๆ ก, กลางๆก็รับเดี๋ครึ่งๆกลางๆถูกไมแต่สมมติว่าชาวพุทธเราเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเดี๋ยวนี้ชาวพุทธที่จะมาทนเรียนอภธิธรรมที่แสนยากเย็นได้เนี่ยมันต้องไม่ใช่ชาวพุทธที่ไปเอานมกรอกปากเยวลูก ถ้าชาวพุทธอย่างนั้นเนี่ยเขาก็รับอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาจะไปปฏิบัติเขาก็ก็อยู่ไม่ได้รับไม่ได้เขาก็รับได้อย่างที่เขาสามารถจะรับได้ตามเกณฑ์ของตัวของตัวแต่อพูดก็อย่างเปิเดใจอย่างนั้นเขาก็ต้องเขาก็เป็นชาวพุทธนะนั่นแล้วก็เขพูดอีกมุมหนึ่งก็ต้องว่าไปอย่างนั้นแต่ที่ว่าเนี่ยก็คือชี้ให้เห็นถึงระดับของธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสเนี่ยมุ่งเอาขั้นเบื้องสูง คนไม่ถึงแล้วรับไม่ได้และที่รับไม่ได้โดยยอมรับเนี่นก็พวกหนึ่งรับไม่ได้อย่างปฏิเสธหลักเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็หลักสูงเลยก็ยังมีมีเรียกว่าหันหันทิฏฐิหันหันหลังทางทิฏฐิให้เลยอะ่ะตัวเองก็สมาทานรับได้เฉพาะในส่วนอาภูมิปัญญาของตัวจึงทรงตรัสอย่างนี้และเมื่อได้ทรงตรัสอย่างนี้ก็ได้ทรงตรัสถึง วิธีการตั้งความเปลี่ยนเล้เมื่อเราสอนอย่างนี้อย่างดีเช่นนี้แล้วเนี่ยเธอทั้งหลายก็ควรจะตั้งใจว่าแหมนี่ไม่อยากอ่านแล้วมันเหมือนเมื่อเช้านี่อ่าน้าหลายตอนนี้ยหนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่เนื้อเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปก็ตามทีอิทธิพลใดจะพึง บรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของปรุษด้วยความเพี่ยนของปรุษด้วยความบากบั่นของปรุษยังไม่บรรลุอิทธิผลนั้นจะไม่หยุดความเพียรดังนี้เนี่ยก็คือสอนให้เอาชีวิตเข้าแลกแสดงถึงคุณค่าของธรรมะแล้วก็ยกเป็นการยกย่องความภาวนาด้วยอยู่ในนี้เสร็จเลาเรื่องยกย่องภาวนาที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสในที่หนึ่งที่ผมอยากจะมาอ่านประกอบให้ฟังเนี่ยครับคือป้าน่านางเมื่อได้เสเด็จออกมาบวชและได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งหนึ่ง<ม>ด้วยความจงรักด้วยความศรัทธาได้จิตอนุเคราะห์เกื้อกูลอย่างยิ่งคืออารัไม่ไม่ใช่อารัธนาให้อยู่นะเดี๋ยวผมอ่านข้อความนี้ให้ฟังก่อนว่า ข้าแต่พระมาหาวีระโปรดมีพระชนมายุนานๆข้าแต่พระมาหาหมุนีโปรดดำรงอยู่ตลอดกับเถิดพระผู้เมียภาคทรงห้ามเสียว่าดูก่อนโคตมีเธอไม่พึงไหวตถาคต ด, ด้วยอาการอย่างนี้เลยก็ถูกนาง พนางโคจะมีทูลอ้อนวอนก็บอกด้วยอาการที่ควรไหว้ควรจะไหว้ไอ้คําว่าไหว้ในหมายถึงบูชาไอ้ตรงนี้น่ะไม่ไม่ใช่เป็นคําขออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกลัดว่าเราได้ทํานิมิตโอภาสแลับร้านอนลืมขอนะแต่ตรงนี้น่ะเป็นการไหว้แล้วก็พูดไงว่าถวายพระพรใช่ไหมแตเป็นของจีนนี่แหละขอให้ มีอายุยืนหมื่นปีนะฮะหมื่นกันไม่รู้กี่หมื่นแล้วนี่อ่าประนางมหาปรชาบดีโกตมีก็มาเฝ้าแล้วก็ใล้ายๆว่าอยากให้ทรงอยู่นะะก็เป็นการถวายพระพรนะคือไหว้คือถือเป็นการบูชาอย่างหนึ่งสแสดงว่าจีวันธนาด้วยปรารถนาว่าขอให้พระองค์ในจงมีอายุยืนการให้พรนะ่ะออกมาในรูปเหมือนเป็นคําขอร้องอยู่ในที พระพุทธเจ้าหักเสียคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ชมเชยแต่ตรัสว่าถ้าจะไหว้เราเนี่ยหรือจะบูชาเราเนี่ยให้บูชาอย่างไรด้วยอะไรตรัสว่าเธอจงดูเหล่าพระสาวกผู้ปรลาลบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นมั่นคงอยู่เป็นนิดผู้พร้อมเพียงกันนี้เป็นการไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือนี่คือการไหว้การบูชาที่พระเจ้าทั้งหลายทรงยกย่องที่เรียวกว่าปฏิบัติบูบชาก็ชี้ให้ดูพระภิกูจ์ทั้งหลายที่บำเพ็ญความเพียรบอกขอให้เธอทำอย่างนี้จกเป็นการควรเป็นการถูกใจของเราก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้บูชานั่นเองก็เป็นการยกย่องปฏิบัติบูบบชาอย่างที่เรารู้กันจากนั้นก็ทรงตรัสถึงผลแห่งความเพียร ในในในในใ น, ในประสูนยนะตรัสว่าดูก่อนวิสูตทั้งหลายบุคคลผู้เกลียดคร้านอาเกียนด้วยธรรมอันเป็นบาปอากุศลย่อมอยู่เป็นทุกข์และย่อมยังประโยชน์ของตนอันใหญ่ให้เสื่อมไปนี่เป็นการประกาศโทษของความเกลียดคร้าน อะไรที่เรียกว่าอาเกียนเนี่ยต้องแปลไหมอาเกียนคืออะไรคําว่าอาเกียนนั่นคือเกลือกลกล่อนกลนเกลื่อนกลนหรือรกเรือ้อถือว่าอากุศลเนี่ยเป็นความเกลื่อนกลนเป็นความรกเรือเป็นความรกรงลังเอาความว่าเป็นความศกปรกอย่างหนึ่งนี่คนผู้เกลียดคัน ไอ้ความขี้เกียจขี้เกียจตัวเนี้ต้องหมายถึงขี้เกียจในการประพฤติกุศ ล, ลธรรมโดยเฉพาะภาวนาที่เราว่ากันว่าผู้บำเพ็ญความเพียนบำเพ็ญภาวนานะั้นเป็นการชำระใจให้สะอาดก็คือชำระบาปอกุศลนั่นเองอะที่มันเกลื่นกล่นลนี่ถ้าคนขี้เกียจเนี่ยมันก็หมักหมมเหมือนอย่างที่ทรงลรัชในบางสูตรอแสดงถึงโทษของความเกียดคันในทางกายภาพว่าบ้านเรือน มีความไม่หมั่นเป็นมนถินใช่ไหมสลีละมีความาเกียจค้านเหมือนกั น, กนเป็นมนถินคือหมายความว่าอาที่เราโบราณเรียกว่าเรือนกายกับเรือนไอเมียเรือนเรือนกายกับเรือนเรือนที่เราอยู่อ่ะเรือนบ้าน สองอย่างเป็นมทนทรีคือทําให้สงบหลงรกเรืออ่านั้นเป็นเรื่องของข้างนอกในทางจิตใจก็เหมือนกันผู้ประพฤติความเพียรในเรื่องของภาวนาเนี่ยทําให้จิตใจสะอาดจริงๆแล้วคนขี้เกียจทําภาวนาเนี่ยจิตใจเศร้าหมองรกเรือจริงๆรนี่เราก็ย้อนกลับมาดูอย่างเราๆเนี่ยบางครั้งเราก็ฟิตเรื่องปฏิบัติ ด, ดีก็รู้สึกว่าจิตใจสะอาดผ่องใส ป, ปลอดโปร่งจริงไหม อ่าหรือว่าเราไปเข้ากรรมาฐานตามวาระโอกาสเนี่ยก็ทําให้จิตใจเราบริสุทธิ์ปลุกปองขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใจสะอาดขึ้นแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนพูดบางทีก็ไปเจอในที่ใดที่หนึ่งก็รู้สึกว่าคน อ, อย่างเช่นไปเจอจริงๆคนหนึ่งอนะเอะ อ, อชื่อก็พออาจจะพอเป็นที่รู้จักท่านก็บริหารเป็นนักบริหารธุรกิจใหญ่อยู่ บที่บริษัทหนึ่งปฏิบัติทาเยอะและทำเก่งก็เคยระยะหลังนี่ไม่เจอกันสักประมาณสองปีครึ่งก็ตอนนั้นทำถึงขนาดจะจะบวชอยู่แล้วครับมันมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่บวชไม่ได้เป็นเป็นไอเหตุผลในทางกฎบกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ตัวทำทาอยู่เนี่ยก็เลยไม่ได้บวชแต่ว่าผมก็คุ้นเคยแล้วก็ ได้ใกล้คิดรู้ว่าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเก่งทาตอนนั้นเรียกว่ายัางกะละพอมาเจออีกทีรู้สึกว่าโสมไปเยอะความจริงไม่ใช่ผมไม่โสมนะผมก็โสมแต่ก็รู้สึกว่ามันผิดไปจากที่เราเห็นแล้วก็ถามว่านี่ไปเข้ากรรมาฐา น, นบ้างเปล่าเนี่ยบอกโอ้โ oh หไม่ได้ไปเลยแล้วก็อ้างงานกลางอะไรก็มันก็เป็นเรื่องเหตุผลของการงานไม่ได้เข้าเลยก็จิตใจมันก็ตกต่านะะ มันห่างทำมาเนี่ยก็เลยแลว่าเศร้าหมองไปอันนี้เราเราพูดถึงจากอาการข้างนอกนะแต่ว่าไอ้จิตใจเนี่ยเจ้าตัวก็รู้ังนั้นถ้าเราอยู่กับบ้านแล้วทุกๆวันเนี่ยเราได้ทําสมาธิตามสมควรนะฮะไม่เคยลืมทําเย็นทําเช้าถึงจะเว้นบั่งเป็นบางวันบางสองวันก็ยังไม่ลืมทําก็รู้สึกว่าจิตใจเลยยังกระฉับเฉยงยังสะอาดสดใสแต่ถ้าบางช่วงเนี่ยเกิดทิ้งไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์นี้นะพอจะมัด ตั้งหลักใหม่ความเพียรมันอ่อนยบไปหมดแล้วก็ตั้งมาเกืขึ้นก็รู้สึกว่าใจเศร้าหมองใจมันเปราะบางอ่อนแ อ, อเกียนด้วยอคุโสธรรมจริงๆชักหงุดหงิดชักโกรธง่ายอะไรต่างๆตามเข้ามาเป็นแถวผมก็ไม่รู้ที่พูดนี่เปลี่ยนด้วยไหมคนที่กุคขค้น ก, การปฏิบัติอยู่นะคงจะจะคล้ายๆกันตามภาษาของผู้ ยุ่งๆอยู่กับริโภ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ก็สมแล้วล่ะที่ความเพียรถือว่าเป็นเครื่องเผากิเลสแต่ไม่เผาใจไอ้ตัวเผาใจคือกิเลส ท, ท่านจึงได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าผู้คนขี้เกียจให้อยู่เป็นทุกข์ตรงนี้นะอัตถกฐาในที่อื่นก็พยายามจะอธิบายว่าคนเข่าเนี่ยสำคัญว่า ความขี้เกียจเป็นความสุขจริงมะจริงกระท่านมะคนโง่เนี่ยนึกว่าความขี้เกียจเป็นความสุขคิดว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ใมันสุขจริงๆอนี้พูดถึงอย่างโลกโลกเนี่ยก็ยังมีคนคิดอย่างนั้นก็เลยปรารถนาจะนั่งกินนอนกินกันนั่งคือไปเดินกินไม่ยอมนอะยังน้อยนอนก็ต้องนั่งกินนอนกินได้ยิ่งดีก็นึกไปตามอย่างนั้น ทึ่งในทางธรรมะเนี่ยกลับเป็นว่าความขี้เกียจไอ้ความขยันสังหะเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขยันในระดับสูงกับความขี้เกียจในระดับสูงมันเกี่ยวกับการต่อสู้กิเลสเมื่อกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราขยันทำลายกิเลสก็คือได้ความสุขและมีเนื้อความในพระสูตรหนึ่งนะฮะอ่า เกี่ยวกับเรื่องความเพียรเนี่ยผมคงไม่ได้เอามาพูดในเรื่องวิทยาจสิคศิะแต่ว่าจะเอ่ยในนี้ให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าผู้ประพฤต์บำเพ็ญภาวนาธรรมเนี่ยผลของความเพียรนั้นทำให้เกิดความปีติปรามโมทย์เกิดความสุขซึ่งในชั้นต้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ไอ้นี่มันคงจะเข้าหลั ก, กความขยันทุกชนิดถ้ามันเป็นความขยันเบื้องต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้เกิดความทุกข์ขยันเรียนหนังสือก็ทุกเริ่มทําวิปัสสนาใหม่ๆก็ทุกอย่างสะอาดเลยแต่เมื่อทําไปแล้วเนี่ยผลที่พึงได้ในระยะอ่าผ่านเลยขั้นเหตุไปแล้วจะเกิดปีติสาโมโอ่าทรงตรัสรับรองไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้น คนขี้เกียจจึงอยู่เป็นทุกข์คนขยันจะอยู่เป็นสุขในสูตร น, นี้จรัอย่างนี้ด้วยดังที่ได้ทรงตรัสข้อความต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ปราลจความเพียรเป็นผู้สังัดจากธทรรมอันเป็นบาปอกุศลย่อมอยู่เป็นสุขเห็นแม้รว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสกิเลสนี่เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ และมีความสุขชนิดหนึ่งที่เคยกล่าวว่าเป็นความสุขจากความไม่มีกิเลสความเบาซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกชัดเจนสําหรับคนทั่วไปแต่ว่าอย่างเราที่ได้สัมผัสกับกุศลอะไราบ้างรูง้สึกว่ามันมันมันเป็นกุสุแค่เราจะหนีและเราตัดใจบริจาคได้เนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่ามีความสุขเกิดความเบาในใจขึ้นขึ้นมาทันที ถ้าเป็นการสละลึกไปถึงขั้นศีลขั้นภาวนาก็จะเบายิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกถึงเราจะอยู่กิเลสเราที่เป็นกิเลสคนอื่นนะะเราก็มีความสุขเหมือนกับเวลาเราพายเรือเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมต้องพายเรือออกมานะแล้วก็ก่อนจะออกมาเราก็สาวิทน้ําเรือไว้แล้วนะฝนมันก็ตกอกีกตกหนาเม็ดมากเมื่อเช้าวานเนี่ยนะ ก็จําเป็นจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วนี่ทําไงได้จะไปนั่งวิ่งเดี๋ยวก็เปียกหมดก็ต้องค่อยๆพายแล้วก็มองเอ้ไอ้เรือนี่นะท่านนึกถึงธรรมะท่านเปรียบเทียบว่าไอ้ไอ้ตัวเรือเนี่ยมันเหมือนกระใจของเราน้ําเนี่ยมันเหมือนกับกเลดในในบางสูตรว่างไนทีนี้ถ้าไม่มีน้ําเรือมันก็พายไม่ได้ไอ้มีน้ํำก็เรือมันก็พายไม่ดี ดีไม่ดีก็วาและอันนี้มันต่างกันตรงไหนแล้วก็มองน้ําในเรือกับน้ํานอกเรือแล้วก็มาได้ความคิดว่าอ๋อเออพระอาหารหันต์เนี่ยท่านวิทน้ําออกจากเรือของท่านแล้วแต่เรือองท่านก็ยังวิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยคือวิ่งอยู่กับทุกอยู่อวิบากกวาดกิเลตวัดแต่ท่านก็คล่องตัวไม่มีความทุกข์นี่เราก็มา น, นึกเออไอการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ย<อ>เราจะต้องวิทกิเลสออกจากใจเราให้มาก ถึงเมื่อคนอื่นเขาจะชั่วนะขอโทษนั่นไม่ได้ว่าที่นี่นะนี่เรานึกแบบเราเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยในใจเราไม่มีกิเลสเนี่ยเราก็สมควรจะยุ่งกับเขาแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่กัดข้องกับกิเลสคนอื่นนะนั่นพระลานทั้งหลายเนี่ยท่านถึงอยู่กับกิเลสอย่างเหมาะสมไม่ให้กิเลสมาเข้าเรือท่านแต่เอาเรือท่านทับ กิเลดไว้คือตับน้าไว้เหลื่อมก็ไปได้เราก็ได้ความคิดอย่างนี้ก็จะได้ไม่ไปนั่งบนอย่างที่ใครเขาบนแม้อยู่ทุกวันเนี่ยเบื่อกิเลสคนจริงๆถามว่าเอาอะไรมาเบื่อกิเลสคนอื่นไอความรู้สึกเบื่อเนี่ยเป็นอะไรถาว่าเป็นอะไรก็พูดไปพูมาก็เที่ยวโกรธเบื่อหมดกิเลสแล้บานตั้งแต่นา ย, ยกไล่ลงมาจนกระทั่งถึงเ อ, อคนงานที่บ้านเนี่นะ เบื่อหมดกิเลสหมดมันคือไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ไปไหนก็หนีไม่พน้นกิเลสเน้นเราก็วิธีที่จะยุ่งกับเขาได้คือวิทกิเลสออกจากใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็หลุดพ้นทันทีหลุดพ้นจากไอ้ไ อ, ขอ้ข้อครอบงำเนี่ยนะที <c oughs> ะนี้ก็พูดถึงอีกก็ความหนึ่งต่อไปที่ทรงตรัสว่าการบรรลุธรรมอันเลิศ ด้วยทำอันเลวย่อมมีไม่ได้แต่ว่าการบรรลุทำอันเลิศย่อมมีได้ด้วยทำอันเลิศตรงนี้เราเป็นข้อความสำคัญสำหรับคนที่โดยมากเนี่ยจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรนะคืออยากจะได้อะไรง่ายๆแล้วก็นึกว่าธรรมะนี่จะต้องเป็นของที่ ได้ไง่ายๆเป็นลักษณะของความคิดดูดูธรรมะนะซึ่งก็หมายา็ว่าคนที่จะได้ถึงธรรมะสูงสูงอันเลิศเนี่ยจะต้องได้ด้วยธรรมอันเลิศไม่ใช่ของได้ง่ายๆโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยท่านท่านพูดเป็นทัานน้องเหมือนอย่างนี้เราจะได้ไม่ไม่ใจร้อนเนี่ยต้องนึกถึงสาเหตุที่จะทําให้เข้าถึงธรรมนั้นว่าไม่ใช่ของที่เราจะได้อย่างชุยชุย ถ้าเป็นสิ่งที่เราได้อย่างช่วยช่วยของนั้นก็ต้องเป็นของช่วยไปด้วยต้องประณีตต้องเลิศทัดเทียมกันระหว่างทำอันเป็นส่วนเหตุกับทำอันเป็นส่วนผลท่านตรัสหมายความอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงตรัสถึงว่าความเพียรอันเลิศก็มีศรัทธาอันเลิศก็มีส ต, ติอันเลิศก็มีสมาธิอันเลิศปัญญาอันเลิศสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ทรมันเลิศที่สมเหตุสมผลกันและในบรรทัดสุดท้ายทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมมรจันนี้ผ่องใสควรดื่มเพราะพระาศาสดาอยู่พร้อมหน้าแล้วเราได้แต่พบเนื้อความอย่างนี้ในหนังสือ ในตำราแต่เราไม่พบพระศาสดาแต่ตอนที่ทรงตรัสเนี่ยทรงอยู่จริงๆแล้วก็ตรงนี้นะ่มีความหมายว่าอย่างไรผมว่าถึงคำว่าผ่องใสเนี่ยนะเขาแปลมาจากคำว่ามันทะมันทะอย่างเขียนอย่างมันธนาการแปลว่า ผ่องใสซึ่งที่จริงนะโดยความหมายในทางอธิบายท่านาหมายถึงใสสะอาดคือท่านบอกว่าใสเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างใสไม่สะอาดกับใสสะอาดจริงไหมใสสะอาดกับใสไม่สะอาดน้ำเดิมก็ใส เล่าก็ใสแต่ใสอย่างหนึ่งสะอาดใสอย่างหนึ่งไม่สะอาดนะไ อ, ไอความไม่สะอาดของสุลาเมลัยมันก็เป็นความไม่สะอาดอย่างหนึ่งหรือไอสิ่งใสที่ใส่ไอสารพิษอะไรที่มันเป็นอันตรายลงไปมันก็ใสแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเป็นโทษตรงนี้อัตตกขาท่านต้งบอกว่าถ้าน้าใส ใ, ใดที่ ไม่สะอาดเนี่ยไม่ควรดื่มเพราะว่าถ้าผู้นั้นดื่มแล้วหมดสตินอนกลิ้งอยู่กลางกลางทางแม้เสื้อผ้าของตัวก็ไม่เป็นของตัวท่านพูดท่านไว้แค่นี้หมายความว่าไงก็แล้วแต่เราจะคิดเนี่ยเสื้อผ้าของตัวก็ไม่เป็นของตัวน้ําใสนั้นไม่ควรดื่มเพราะใสไม่สะอาดแต่น้ําใสใดที่ดื่มแล้ว เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อความสดชื่นต่อสรีละเป็นน้ําใสที่ควรดื่มคําสอนก็เหมือนกันคําสอนที่สอนกันเป็นเหตุเป็นผลอย่างงีอย่างนี้เนี่ยนะหรือว่าเป็นตํำรับตาบําราปมพิมพ์อย่างเรียกว่ารูปแบบดีนะแต่บางทีไอ้สาระมันไม่ดีหรือมันเป็นโทษก็ไม่ควรดื่มเป็นสิ่งไม่ควรดื่มคือไม่คําว่าดื่มหมายถึงสมมาตราเอาด้วยความเปลี่ยนดื่มก็คือปฏิบัติ นะปฏิบัติไม่ควรเอามาปฏิบัติทฤษฎีที่เป็นโทษเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่เสียหายคือไม่ได้รับโทษของทฤษฎีนั้นแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามก็เสียหายได้รับโทษจากทฤษฎีนั้นแปลว่าเราดื่มมันเข้าไปเหมือนกรยาพิษเนี่ยถ้าเราไม่ดื่มก็ไม่เกิดโทษคำสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านเสียบว่าเหมือนกับน้าใสและสะด จึงควรดื่มคือนำมาเป็นข้อปฏิบัติคือกระทำความเปลี่ยนอ่านี่เป็นข้อความของคำว่ามันทะเปรยยะแี่นี้ข้อความที่ตรัสว่าเพราะพระศ า, าสดาอยู่พร้อมหน้าแล้วเนี่ยตรงนี้รักษาท่านเปรียบเทียมไว้ดีแล้วเกินนะแล้วเราเกือบจะนึกเติมขยายข้อที่จริงส่วนอื่นๆให้เป็นทีวแถวยาวเหยียดได้ คือท่านเปรียบเทียอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าธรรมะเป็นเหมือนยาหรือเครื่องดื่มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอาเป็นว่าในที่นั้นท่านเปรียบเหมือนยายาเนี่ยถ้าหากว่าเรากินต่อหน้าหมอนะหมอควบคุมอยู่เราจะดื่มยากินยาด้วยความมั่นอกมั่นใจนะไม่อย่างนั้นแล้วถ้า ยาหมอจ่ายไปไเข้าใจว่าสมัยก่อนคงไม่มีใบสั่งยานะบางทีมีใบสั่งยาแล้วก็ยังมีไอ้ประเภทหัวหัวหมอนละหัวคือเป็นหมอรักษาตัวเองตัวจะหายช้าก็มีหรือกลัวยาจนหมอสั่งให้กินสองเม็ดกินเม็ดเดียวกินครึ่งเม็ดย่างไงนะประเภทไม่อยากกินยาหรือไม่กินเอาเลยเี้ยคืออยู่ไม่อยู่ต่อนหน้าหมอนะมันก็เลยมีประเภท ขาดขาดเกินเกินเอางี้แล้วกันนะจริงไหมในสังคมคนไข้เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีหมออยู่ต่อหน้าเนี่ยหมอให้อะไรให้ประโยชน์อะไรเช่นควบคุมการกินวันนี้ได้เวลาแล้วเอาต้องกินข้าวก่อนกินยาเอากินน้ามากๆอะไรอย่างงี้นะเราก็เกรงใจหมอใช่ไหมล่ะแล้วนอกจากหมอจะให้กินยาแล้วหมออาจจะยังให้กําลังใจเราคงจะเคยมีประสบการณ์ว่าเวลาป่วยเนี่ยโอ้ยตอน ยังไม่เจอหน้าหมอนี่จะเป็นยังไาว่าเจอหน้าหมอโลกหายไปเยอะเลยอาการก็ยงชั่วไปเยอะนะคนก็ก็ได้กําลังใจจากหมออย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นข้อเทียบเที่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมโอสถของเรามีเธอเป็นคนไข้เราเป็นหมอคือเป็นอาจารย์กําลังควบคุมเธออยู่เนี่ยเธอต้องใช้โอกาสตรงนี้ให้ดี ถ้าเหลือแต่ธรรมะและอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของตำลักยาไม่อยู่เนี่ยมันน่าเสียดายนะฮะเหมือนอย่างที่รุ่นรุ่นของเราเนี่ยบางทีเรานึกเสียดายว่าไอ้แหม่นี่ เ, เราอย่างไอตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไม่สนใจธรรมะอย่างงี้นะฮะไม่สนใจปฏิบัติพอาะตายไปแล้วเราถึงมาสนใจเสียดายว่าแหมท่านตายไปซะก่อนแต่ถ้าเราตายไปก่อนแล้วก็ไม่ว่า อ่ า, อาแต่ที่บนๆเพราะไอ้ตายก่อนเนี่ยเขาไม่ ม, ไ ม, ไมีไม่มาบนให้ผมมาเล่าให้ฟังนี่แต่ที่บนเนี่ยเพราะว่าท่านตายไปก่อนเนี่ยหลายคนเป็นอย่างนั้นก็เสียดายเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วการที่เราจะได้กัลายาณมิตรขึ้นมาสักคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่จะมาเข้าแถวต่อกันเหมือนอย่างอ่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะมาต่อต่อกันได้มันไม่แน่หรอกครับบางทีก็ได้คนมีบุญญาดีการมาสอนมาเผยแพร่ มามาเป็นวิปัสนาจารย์อะไรต่าง้แต่บางครั้งก็ไม่มีนี่ไอเราเนี่ยเราเหมือนเป็นผู้ป่วยถ้าเราได้หมอดีโอกาสที่เราจะรักษาโรคไปให้ให้เจ็บหายมันก็มีได้มากอันนี้เป็นธรรมดานี่ถ้าเราเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้เจอแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ได้อยู่ในการควบคุมของท่าน<อ>ก็คงจะแตกต่างกับเรา ต้องมาวุ่นวุ่นกันในยุคเนี้ยนะฮะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้บอกโอกาสว่าหมอกําลังอยู่ครูกําลังอยู่อยู่ต่อหน้าเธอเพรมันใครถ้าลองรักปฏิบัติแล้วโอกาสนั้นเหมาะอย่างยิ่งปฏิบัติแล้วทําไมถึงติดกัดทําไมอาสาวกองนั้นพูดอย่างนี้องค์นี้ทําไมไม่กลองกันจะไปจับมือไกดมก็จับประหานพระพุทธเจ้าดมท่านก็บอกได้ธรรมะก็ยุติใช่ไหม ทุกอย่างเลยท่านจะบอกได้หมดไม่ต้องเมาโจลมูลนวุ่นวายสรุป ก, กันได้ยากเหมือนอย่างในยุคนี้เพราะฉะนั้นแหละบางทีท่านก็ตรัสว่าเธอเธอทั้งหลายจงอย่าได้เกิดวิวิปฏิสานร้อนใจในภายหลังเลยว่าเรายังไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกประสาทสดาก็มา ปาลินีพ่านไปเสียก่อนแล้วในท่านบอกอย่างนี้นะไม่อย่างงั้นเธอจะมาวิปัสสารร้อนใจภายหลังถ้าเธอรักธรรมะเธอต้องรีบปฏิบัติให้บรรลุเสียตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่จะได้อุ่นใจได้ความจริงเรื่องนี้พูดไปก็เท่านั้นแหละเมื่อเท่านั้นมาสองพันห <c oughs> ้าร้ก็อ่า น, นเรื่องทํานองอย่างนี้แล้วก็นึกนึกถึงตัวเราเองอ่นะฮะว่าเรา มาอ่านเจอเอาอย่างนี้ที่หลังแต่เราไม่สามารถที่จะได้ความเป็นอย่างนี้ได้อย่างที่ท่านบอกเราหรือบางทีเราอาจจะเกิดทันแต่ตอนนั้นเราไม่เชื่อก็ได้นะไม่เชื่ออาจจะไปได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้วศึกษาธรรมะอะไรแต่ก็อาจจะไม่ได้มีความเพียนก็เลยหลุดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ นี่คือสิทธ์มีครูเพราะนั้นที่เราชอบถามหรือชอบพูดกันว่าปฏิบัติธรรมโดยไม่มีครูกับโดยมีครูเนี่ยปฏิบัติธรรมโดยไม่มีครูทาได้ไหมควรปฏิบัติได้ไหมบ้างหรือปฏิบัติโดยมีครูก็ไม่มีครูอันไหนจะดีกว่ากันอะไรเงี้นะหรือปฏิบัติไม่มีครูจะเป็นบ้าไหมถามเงี้ก็มีนะ อันเนี้ยคำถามเหล่านี้เราก็ตอบได้ว่ามีครูดีกว่ามีครูดีกว่าแต่ต้องหมายว่าครูนั้นต้องครูดีและถ้าได้ครูดีที่ดีกว่าขึ้นไปโดยลำดับก็เป็นความดีกว่าที่ดีกว่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันประเด็นต่อไปของสูตรนี้ได้ตรัสเป็นการสรุปในมุม กว้างออกไปว่าเพราะเหตุชนี้แหละวิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปลาลบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอันนี้ก็เป็นการบอกถึงการห่วงนึกถึงจุดหมายปลายทางหรือผลที่ตนพึงได้จากความเพียร น, นั้นว่าทาความเพียรเพื่อ มุ่งเอาสาระอันนี้ให้ได้คือการบรรลุธรรมนะครับต่อไปตรัสว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าบรรพชาของเราทั้งหลายนี้จกไม่ต่ําสามไม่เป็นหมันมีผลมีกําไรอธิบายตอนนี้ก่อนว่าบรรพชาคือการบทนี่ท่านพูดกับเรา แต่ว่าถ้าพูดกันอย่างพวกเราเวลาเข้าสํานักปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้ยินมรดิกรูบาจารย์จะบอกว่าจงใช้โอกาสที่เราได้อุตสาลาการลางงานมาเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนให้เต็มที่นี่ไอ้ตรงนี้ถ้าเรามานึกดูเราเนี่ยถ้าเป็นพวกหัวตัวเลขขึ้นสมองหน่อยกันถ้าเราไม่ได้มาเจ็ดวันเราจะทํา ถ้าขายสินค้าจะขายได้คอมมิชชั่นสักเท่าไหร่นะทํามาค้าขายจะได้สักเท่าไหร่ทำงานกินค่าแรงรายวันจะได้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาแล้วจะมานอนอยู่เฉยๆได้ไหใช่ไหมหรือที่มากินข้าวที่ตำหนักเขาไปวันๆหนึ่งมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะข่าข่าวมันมื้อไม่กี่ตังค์แลยข้าวในตำหนักไม่ใช่ข้าวอย่างที่เราไปกินตามมาตรการเมื่อไรล่ะมันไม่สมควร ไอจะมานอนแล้วมานอนทำไมบ้านเราที่นอนดีกว่านี้ใช่ไหมฮะมันนอนที่ที่นอนสํานักเนี่ยก็ไม่ได้วิเศษพิโสอะไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกถึงความมุ่งหมายแก่ตัวเองว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเราก็จะจะนอนไม่ลงครับนอนไม่ลงเวลาขี้เกียจวนนึกอย่างนี้แล้วต้องตะลึงปลุกขึ้นทันทีอันนี้ผมพูดถึงที่ผมเคยนึกของผมมาเองนะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเอาสูตรที่แตพูดถึงจากในยาของสูตรอื่น เราก็นอนไม่ลงมีขนาดเรายังไม่ได้บวชแต่ถ้าพูดถึงพระที่บวชอย่างสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสละกองโคคาสละโอกาสสละตาแหน่งหน้าที่เป็นพระเจ้าคนดินอยู่ก็มีเป็นพระราชายิงก็แลออกมาบวชเราลงคิดดูที่เป็นพระราชาเป็นลูกเศรษฐีแล้วออกมาบ ว, าดดวทช ท, วออบวทิ้งหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมามาบวชแล้วมาบวชอยู่เฉยเฉยนะ คุ้มไหมอาบวชหาความสุขทางเนื้อทางหนังคุ้มไหม น, นี่เราคิดดูอย่างง่ายๆนะก็ไม่คุ้มอะเราก็คิดแทนตัวเราด้วยว่าเออเผื่อเราจะไปบ่เยยบวชแล้วก็จะได้เข้าใจอันนี้มันไม่คุ้ม แ, แต่ว่าถ้าพูดถึงคนขี้เกียจนี่เขาก็ไม่คิดอ่ะใช่ไหะคนขี้เกียจนี่เขาไม่คิดไอ้ที่เราคิดเนี่ยเขาไม่ไม่เข้าใจเขาไม่รู้สึกรู้ษาอะไรหรอกอ่าโดย ลำดับต่อไปได้สงตรัสในข้อความที่ว่าบรรพช้าเราจักไม่ต่ำสามไอ้คําว่าต่ำสามตรงนี้นะฮะคือขัดทุนครับบวชแล้วขัดทุนหรือเข้าสํานักแล้วขัดทุนพูดงา่ายๆว่าอย่างเราเป็นผู้เงินเข้าวัดแล้วขัดทุนคําว่าขัดทุนตรงนี้มันไม่แปลว่าไม่ขัดทุนเสียเงินเสีย้องขัดทุนอะไรรู้ไหมครับ ที่ท่านมุ่งหมายนี่คือคัดทุนในทางจริยธรรมในทางเวรทางกรรมเป็นไปได้ไหมครับที่คนเข้าวัดแล้วกลับมาเสียผู้เสียคนเอนี่พูดถึงอย่างอย่าไปพูดถึงวัดที่ท่านเข้าสิพูดแทนก็ดึนเขาด้วยนะเราพูดเป็นหลักเรียนรู้เรื่องคนนี้ว่าเป็นไปได้ถ้าไปว่าไปเข้าวัดเอ่า ที่หนังสือพีมเขาลงข่าวเป็นเน้นบ้างเป็นไรบ้างเนี่ยนะ น, นี้ก็เป็นจริงจําเป็นจริงอย่างนั้นก็คือเข้าไปแล้วก็กัดทุนไม่ได้ไปสวรรค์นางสุนทลีเข้าวัดหรือเปล่าไม่ใช่สุนทลีรุ่นนี้นะสุนทรีรุ่นพุทธเจ้านะ้แล้วก็เข้าวัดนะเข้าแล้วทำท่าอยู่นานแล้วด้วยได้กําไรหรือกัดทุนกัดทุนพระเทวทัตบวดแล้ว มันไม่ใช่แค่เป็นหมันเป็นหมันนี่แคยิงชั่วนะแต่ขาดทุนเลยต่ํำสามเพราะว่าบวชแล้วแทนที่พระเหลืองจะปิดทางนรกพระเทวทัตก็ลงนรกอานี่เราก็รู้พอนึกหเห็นเป็นตัวอย่างกานี้พุทธพจน์ตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นหมันเนี่ยคือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําชั่วแต่ก็ไม่ได้ทําความดีเป็นหมัน อันนี้ก็อย่าลืมถ้าเท่าสำนักก็ทำถามตัวเองหน่อยว่าจะเอาอย่างขัดทุนหรือเอาอย่างเป็นมนเป็นหมันก็ออกมาแล้วเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ได้มีการพัฒนาอะไรทีนี้ถ้าไปลงพยายามแล้วถ้าลองลงมือทำบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้อะไรเทาบ้างเลยนะแต่คนจะเป็นหมันนี่คือคนไม่ทำก็เป็นหมันเหมือนกับคนไม่มีบุตร ก็คือคนเท่าทุนแต่งงานแล้วมีบุตรหนึ่งก็ได้กำไรหนึ่งมีบุตรเจ็ดก็ได้กำไรเจ็ดอันนี้เราพูดกำไรแบบแบบแบบนั้นนะหรือเราปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งไม่มีลูกก็เป็นหมันเท่าทุนถ้ามีลูกดกๆ ก, ก็ได้กำไรเยอะเพราะนั้นในข้อความหลังเมื่อทรงปฏิเสธอ่า การบวชว่าเราจะต้องตั้งใจไม่ให้ตกต่ำแล้วก็ไม่ให้เท่าเดิมจะต้องให้มีผลมีกาไรให้มีผลมีกาไรคือได้อานิสงส์จากการบวชได้กำไรจากการบวชมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่วาสนาบา ร, รมีของแต่ละคนต่อไปตรัสว่าพวกเราบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลาณะเพสัจบริการของชนเหล่าใดสักการะ เหล่านั้นของชนเหล่านั้นจักมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเหล่าทั้งหลายดังนี้นี่เป็นการสอนรว ม, มๆแก่พระภิกษุทั้งหลายเราอ่านเราเป็นโยมอ่านตรงนี้แล้วก็ขอบอย่างน้อยก็ขอบคุณพระพุทธเจ้าตั้งเยอะนะนี่คือความกระตันอยู่คของพระพุทธเจ้าที่สอนมากทีเดียวสอนถึงพระภิกษุเนี่ยให้ให้ระลึกถึงคุณให้ให้ ให้เกรงใจนึกถึงน้าใจของโยมว่าเราเราบวชแล้วก็บิณฑบาตแล้วก็ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยเท่ากับสนองคุณโยมและโยมจะได้ผลบุญจากการที่เราได้ทาอย่างนี้มาเพราะนั้นสูตรพวกนี้ก็กน่าสนใจหลายที่อย่างบางแห่งที่รวบรวมไวในเอกสารชุดอันนีสองร้อยแปดมีสูตรหนึ่งตรงตรัสว่าทายกใดที่ ได้ถวายอาหารกระดีบินอ า, อาหารบิณบาตไตจีวรที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคแก่ภิกษุรูปใดและภิกษุรูปนั้นได้เข้าสมาเข้าภาวนา น, นั่นเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันกว้างใหญ่แก่ทายกผู้ถวายนั้นเป็นเนื้อความในที่หนึ่ง เป็นการบอกตั้งพระบอกทังโยมบอกพระก็แล้ ว, ว่าพระถ้ามีการทำภาวนาในช่วยโยมบอกโยมก็จะได้อุดหนุนพระให้ท่านท่านทำภาวนาก็ตามกับต่านท่านจะได้เจริญก็ได้ประโยชน์ในกันตั้งครูในในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความกตัญญูนะว่าเป็นทางเดียวที่พระจะช่วยโยมได้แล้วก็ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ทาอย่างนี้ช่วยได้จริงๆอะ่ะ ผมจึงบอกแก ห, หลายๆคนที่ไปคบหาสมาคมกับพระสายกรรมฐานเนี่ยอย่างสายจันมันเนี่ยว่ารับรองว่าคบกับพระสายนี้แล้วไม่ขัดทุนไม่ขัดทุนทำบุญทำกุศลกับท่านเนี่ยไม่ขัดทุนบางทีขอโทษเธอคนจีนอแปะ๊ะอซิมอะไรอย่างนี้นะทีท่านไปต่างจังหวัดแล้วก็อ่อแปะบางคนก็มาได้จังหวะมารูมมาเลื่อมสายเอาออกค่ารถนไง เอาไ้ซื้อหาอะไรแต่อะไ ร, ะไรให้ส่งท่านไปยังที่ที่ท่านต้องการจะไปอย่างหลวงกุลาอย่างีา้ท่ า, า น, น, นก็อวยชัยให้พรแล้วก็อาแปะก็เฮงไปท่านก็เป็นโชคดีนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านช่วยนันเราเร า, เราฝ่ายโยมเนี่ยลงทุนที่จริงเล็กน้อยแต่น่นเองนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้จากพลังบุญพลังกุศลพลังบา ร, รมี ของพระภิสุตต่อไปตรัสว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายอันบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ของตนสมควรแท้เพื่อยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพอมาลงที่ความไม่ประมาทเนี่ยหมายถึงการเจริญสติปัฏฐานภาวนานั่นเองะความจริงก็เป็นเรื่องเดียวกับความเพียรนั่นแหละความเพียรที่เพียรเพื่อประโยชน์ของสติ เป็นไปกับด้วยสติชื่อว่าเป็นความเพียรของผู้ไม่ประมาทแต่ความเพียรใดที่เพียรไปไม่เป็นไปกับด้วยสติเป็นความเพียรของผู้ประมาทนะอย่างคนทําบาปเนี่ยก็มีความเพียรแต่ไม่ใช่เป็นการทําด้วยสติไม่ได้อบรมสติออันนี้ก็เป็นการรักษาประโยชน์ตนแล้วก็ต่อไปจาดว่าหรือบุคคลผู้เห็นประโยชน์ผู้อื่น คือเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นต้องการสงเคราะผู้อื่นสมควรแท้เพื่อยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในนี้นก็เช่นเดียวกันก็หรือว่าบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้จริงเพื่อยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนี้ความจริงก็เป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่เคยบอกแล้วนะครับว่าในในสติปัฏฐานตั้งยึดย้ำได้ไหมฮะสูตรหนึ่งว่าผู้ต้องการรักษาตนเนี่ยพึงรักษาผู้อื่นผู้ รักษาผู้อื่นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนนี่คือไอ้เวลาเราตั้งความปรารถนาเนี่ยมันอาจจะตั้งที่ตัวแต่วิธีมันจะต้องไปทําดีคนอื่นก็ด้วยทําเพื่อผู้อื่นด้วยนะโดยกรุงโดยอ่องก็ตามหรือตั้งความปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นก็ต้องทาตัวให้ดีด้วยหรือคิดเกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาทําที่ตัวเองให้ดีด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันเหมือนกับนักกยกรรมที่ขี่คอต่อกันไปชันๆนะ บางคนก็รักษาตัวซึ่งก็หมายถึงรักษาแถวทั้งหมดที่กี่คอกันในสูตรนั้นก็เปรียบเทียบไ้อย่างนั้นวันนี้จบประสูตรนี้เพียงเท่านี้เราหน้าจะนำอสูตรถัดไปมอธิบายสืบต่อ